นักการค่ะอยากจะถามหลวงพ่อนะคะว่าเวลาปฏิบัติแล้วว่าปกติจะปฏิบัติดูสายเวทนาอยู่อะค่ะยกชื่อโฉมค่ ะ, ะ, ะแล้วยังไงต่อแล้วก็เลยเ อ, อ, อยากจะทราบว่า ก, กรณีที่ว่ารู้ว่าผู้รู้กับตัวรู้อะไรเนี่ยค่ะมันมีผล มันผลมีผลดีหรือผลไม่ดียังไงถึงไอ้มีผลดียังไงที่จําเป็นที่เราจะต้องแยกให้เห็นตัวรู้กับตัวผู้รู้อะค่ะคือเท่าที่ยอมเข้าใจอยู่อะ่ะเข้าใจว่าตัวผู้รู้ที่ที่แยกดูตรงเนี้ยมันคือสภาวะที่เรารู้สึกรู้สึกรู้สึกตัวค่ะคือหมายถึงเวลาที่ปฏิบัติเรารู้เวทนารู้ความรู้สึก ในกายรู้ความรู้สึกทั่วตัวไม่ว่าจะรู้สึกกายรู้สึกเจ็บเนี่ยค่ะอืมเอ่อพอเรารู้แล้วแล้วแล้วมันต้องยังไงต่ออ่ะค่ะคือคือคือโยมมีความรู้เข้าใจเข้าใจตัวเองว่าพอจะแยกได้ว่าให้ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นนมามธรรมอะค่ะที่มีคงมีสภาวะอะไรหนึ่งไปรับรู้อะคะอ่ะอ่าทีนี้แต่พอเราได้ รู้สึกแล้วเนี่ยเอ่อมันมันจะต้องอย่างไงต่อคะทีนี้พูดถึงเรื่องรู้เนาะมันจะตรงข้ามกับไม่รู้นะไม่รู้เช่นหลวงพอ่อหลวพอจะยกตัวอย่างสักสักอย่างเดียวเช่นการเดินเนา ะ, นะการเดินเนี่ยสมมติว่าเดินอยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยอาสวะนั่งก็ได้เพราะว่าตอนนี้กําลังนั่งเนาะอือเอานั่งเลย น, นั่งเนี่ยมันมีอยู่นะทีนี้บางทีรู้ว่านั่งเนาะ แต่บางทีนั่งอยู่แต่ไม่รู้ตรงนี้เห็นความแตกต่างได้ก็คือถ้ารู้ก็คือรู้ชัดว่ากำลังนั่งอยู่แต่ถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้เรื่องเลยเนาะอ่าทีนี้ตามหลักสติเขาบอกว่าต้องฝึกให้รู้ฝึกให้รู้อะไรก็คือเมื่อนั่งอยู่ก็ให้รู้ว่านั่งอยู่อ่าใช่ไหมอันนี้เขาฝึกสติเพื่อให้สติเนี่ยมันมีความชำนาญในการรับรู้ต่อต่อกายต่อใจของตัวเองอะ่ะเออถ้าเราไม่ฝึก นะถ้าเราไม่ฝึกมันก็เคยชินที่จะไม่รู้อ่าทีนี้พอมาฝึกอ่าสมมติว่าฝึกแล้วรู้แล้วแต่ปรากฏว่ามันยังเข้าใจผิดในเรื่องของเอ่อในเรื่องของความรู้หรือว่าในเรื่องของสิ่งถูกรู้เข้าใจผิดยังไงก็เหมือนกับของโยมสติเมื่อกี้เนาะโยมเขาโยมสติคือโอเครู้แล้วคือยืนก็รู้แล้วรู้ก็รู้อ่าแต่มันยังเข้าใจผิดในเรื่องของสิ่งถูกรู้ก็คือ คนที่ยืนน่ะเข้าใจผิดว่าเราเป็นผู้ยืนแล้วก็ยังเข้าใจผิดว่าไอ้ตัวที่มารู้คนยืนก็ก็เข้าใจผิดว่าเป็นเรารวมความแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นคือทั้งๆที่ฝึกไปฝึกไปก็ยังเข้าใจผิดหมดเลยถ้าเข้าใจถูกเข้าใจถูกว่าอย่างไงเข้าใจถูกว่าเราไม่มีมีแต่รูปยืนกับมีแต่สติอ่า<ม>ซึ่งรูปก็ไม่ใช่เราใช่ไหมอ่าพระพุทธเจ้าบอกว่ารูปังนัตตา รูปไม่ใช่เราสติก็คือเป็นนา ม, มาธรรมใช่ไหมอาจจะเป็นเรื่องของจิตจิตที่มีสติอ่าเพราะฉะนั้นในนั้นก็เป็นอนัตตาหมดแต่เอาเข้าจริงอ่ะฝึกไปตั้งหลายปีก็ยังเป็นเราไปหมดอย่างเนี้ยมันก็เนิ่นช้าตายเลยเพราะว่ายัางเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงที่เราฝึกสติเนี่ยก็หนึ่งฝึกให้มีตัวรู้สองต้องให้เกิดปัญญาด้วยว่าทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีเรามีแต่สังขารมีแต่ขันห้าเท่านี้เองอ่า ทีนี้อย่างเราฝึกเนี่ยทุกวันเนี่ยนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาแต่ฝึกเอาแต่ฝึกทําความเพียรแต่ยังเป็นเราตลอดการเลยฝึกมาเจ็ดปีก็ยังเป็นเราไม่เคยรู้เรื่องความไม่เป็นเราแต่เวลาสวดมนต์แปลเนาะแปลถูกหมดเลยเนาะทีเ <c oughs> นี้ยหลวงพ่อเนี่ยพยายามเปลี่ยนให้ความจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นถูกเสียให้รู้ตัวในปัจจุบันว่าไอ้ที่กําลังถามก็ดีมันก็คือ หลวงพ่อจะใช้คําว่าเป็นสังขารเนาะอืเพราะร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือเรียกว่าสังขารไม่เที่ยงเออเพราะฉะนั้นรู้ตัวปัจจุบันเสียว่าเวลาอย่างตอนนี้เนาะกําลังนั่งคุยอยู่ก็ให้รู้ว่าอ๋อไอ้ที่นั่งคุยนี่มันมันเป็นขันห้าเนาะกําลังพูดกําลังเคลื่อนไหวกำลังกระดูกกระดิกเนี่ยเนี่ยรวมๆกันคือเป็นขันห้าหรืออาจจะเรียกว่าเป็นสังขารก็ได้อถ้าใช้คําว่าสังขารมันก็ง่ายดีเนาะเออเพราะฉะนั้นที่กําลังควังอยู่ตอนนี้ก็คือสังขาร ที่กําลังคุยกําลังสงสัยกําลังสอบถามคือสังขารหมดเลยแล้วขณะเดียวกันมันก็มีสติรู้คือรู้ตัวว่าเออกำลังคุยอยู่นะกําลังถามอยู่นะกําลังสงสัยอยู่นะกําลังอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัจจุบันก็ฝึกรู้เอาไว้<อ>เพื่อให้มันชํานาญในการรู้หนอให้ชนานาญในการรู้เพื่อจะได้เขาเรียกว่าให้ทันใช้งานก่อนที่ขัน่าจะแตกสลายตายไปอะ่ะหมายความว่าสมมุติตอนนี้นะมีปัญญาถึงที่สุดแล้ว ไม่สงสัยแล้วเพราะงั้นตายตอนเนี้ยขาหน้าดับเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าตอนเนี้ยังไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วเกิดมันตายขึ้นมาเนาะโอ้โหมันนู่นที่เกิดของเราคือจะเรียกว่าเขาบอกว่าเกิดเป็นคนมันยากอยู่แล้วอะเนาะไปสู่คติอะไรมก็ยากหมดอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยเลยต้องเร่งทําความเพียนต้องรู้ตัวเดี๋ยวนี้ฝึกตอนนี้เป็นปัจจุบันอโอเคอครับแต่โนสําหรับโยมอะโยมรู้สึกว่า ความเข้าใจว่าฟันว่ากายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราสังขารก็ไม่ใช่เราตรงเนี้ยคือเข้าใจค่อนข้างจะชัดเลยค่ะอือยมยมยมเชื่อมั่นหรือว่ากายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วเนาะถูก่หมโอเคนะยอมยมเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วอ่ะแต่เพียงแต่ว่ายมไม่มั่นใจว่าให้ความเชื่อตรงเนี้ยแล้ว เราจะต้องปฏิบัติยังไงต่อเพราะว่าน้าอตอนเนี้ยโยมีความรู้สึกว่าแม่ตายก็พร้อมตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือนะคือไม่ห่วงใยไม่ไม่ไม่ได้อะไรอวรกับกายและจิตนี้แล้วอะไรทำนองเนี้ยค่ะโอเคอ่าหยุดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อลืมนะอเอาแค่นี้ก่อนน ะ, ะ, ะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องว่าเออมันมีแต่สังขารเนาะกายก็ดีเป็นสังขารเวทนาเ อ, อสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณที่ประกอบกันเนี้ยมันเป็น เป็นสังขารคือขันห้าก็เป็นสังขารเนาะไม่มีเราถูกไหมอ่าแต่เมื่อกี้โยมบอกว่าโยมอ่ะโยมเข้าใจหมดแล้วแปลว่าอะไรอะ่ะเธอเข้าใจว่ากายนี้ไม่ใช่เราและจิตนี้ก็ไม่ใช่เราอ่าโอเคเข้าใจหลวงพ่อก็ถามต่อว่าแล้วใครเป็นคนเข้าใจก็โยมก็ไม่ทราบตอบดีๆเลยตรงนี้แหละถ้าเข้าใจตรงนี้หลุดพ้นได้เลยอ่าโยมเป็นคนพูดเองว่าเออโยมเข้าใจนะ พันห้าไม่ใช่เราโยมเข้าใจโยมเข้าใจแล้วโยมไม่ค่อยสงสัยแล้วหลวงพ่ อ, อก็บอกว่าคําว่าโยมหมายถึงใครหมายถึงคนอื่นหรือหมายถึงอะไรก็ ย, ยังมีตัวโยมที่เป็นผู้สงสัยใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องโยมแล้วโยมเห็นเลยว่าไอ้ตัวโยมที่ผู้สงสัยนี่คือสังขารเหมือนกันให้รู้ทันตรงนี้เลยถ้ารู้ทันตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนมันจะพลิกทันทีเลยว่าจากความเห็นผิดจากความเข้าใจผิดว่ามีตัวโยมอ่ะเพราะตอนนั้นลืมตัวไง พอหลงพ่อบอกชี้ปั๊บเอ้ายอมยังมีตัวโยมอยู่แล้วยมเมื่อกี้ปิงแล้วแล้วก็พลิกเป็นว่าเอ้าเมื่อกี้มันหลงนี่ตอนนี้หายหลงก็คื อ, อ, อไม่มีตัวเราเพราะฉนั้นผู้สงสัยก็ไม่ใช่เราแล้วพอเป็นอย่างนี้เดี๋ยวความสงสัยก็จะดับไปเลยเพราะมันรู้แจ้งว่าไม่มีเราแหละอโอเคาม า, าพกพี่ยอมเห็นภาพชัดละอาสาธุเลยอืนั้นยมก็ปฏิบัติต่ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะ ยอมปฏิบัติมียมเข้าไปอีกแล้วใช่ไหมอ่านี่หลงอีกแล้วใช่ต้องรู้ทันว่าอ๋อายอมไปปฏิบัติอาการนี้ใช่ไหมคะที่เรียกว่าหลงอะคะ่ะใช่มันเป็นพฤติกรรมของความเป็นตัวตนไงความเป็นเราเพราะฉะนั้น<อ>รู้เท่าทานันรู้เท่าทันตอนไหนรู้เท่าทันตอนมันเกิดตอนที่พูดหรือตอนที่คิดนี่แหละถ้าถ้าคิดแล้วไม่รู้นี่เขาเรียกว่ามันเข้าไปเป็นหลงแต่รู้ว่าพูดแล้วไม่รู้มันก็หลงเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้มีสติในการคิดรู้เท่าทันในการคิดรู้เท่าทันในการพูดว่าไอ้ที่พูดที่คิดเนี่ยมันเป็นสังขารมันไม่ใช่เราต่อไปเนี่ยคือพูดได้แต่รู้พูดก็คือเนี่ยสื่อสารแบบปกติเนาะแต่ลึกๆคือเข้าใจได้ว่าเอาที่พูดนั่นก็คือสังขารที่คิดก็เป็นสังขารแต่ต้องอาศัยพวกเนี้ยคืออยู่ในโลกก็ต้องพูดกันแต่ลึกๆเนี่ยใจมีธรรมะแล้วคือเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่าที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่เราพูดตรงเนี้ยมันจึงเรื่องของสติปัญญาที่รู้เท่าทันในปัจจุบัน อ๋อสมแล้วยอมเป็นผู้ปฏิบัติเข้าใจง่ายๆแบบนี้อือค่ะชัดชัดเกินเลยค่ะเอาตกลงจะไปปฏิบัติอีกไหมตกลงจะไปปฏิบัติอีกไหมก็จําเป็นต้องอยู่ในโลกก็อยู่ไปอะค่ะพยายามรู้ไปโอเคตกลงจะไปเดีะยารู้จะพยายามไม่หลงนะคะพยายามนี่ใครจะพยายามก็ได้ค่ะ มีผู้พยายามไหมมีไ้มนี่มันยังมีอยู่อะหลวงพ่ออ่าถ้ามีมันถึงจะไม่มีสักทีอยากจะให้มันไม่มีสัทีอะค่ะก็เปียนเปลี่ยงความเข้าใจผิดไงใช่อ่าเดี๋ยวฟังตรงนี้ให้ดีสังขารก็ลมเนี่ยฟังตรงนี้ให้ดีสังขารยังมีอยู่เนี่ยถ้ายังไม่ตายนะยังมีหายใจยังเดินจงกลมยังอะไรแล้วแต่มีอยู่ครบแต่เปลี่ยนให้เป็นความเข้าใจถูกเสียว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรา เพราะฉะนั้นจะไปปฏิบัติเข้าวัดก็เหมือนเดิมแต่ให้รู้ด้วยสติปัญญาว่านั่นที่ไปวัดนั่นไม่ใช่เราเป็นแค่ขังห้าเป็นแค่สังขารมันไปมันเคลื่อนไปแล้วก็สุดท้ายกลับบ้านเอาข้าวขาหน้ากลับบ้านอีกก็ไม่ใช่เราให้เห็นว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่จะเคลื่อนจะไปจะมานี่นะให้รู้แจ้งอยู่เป็นปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันขณะเนี่ยให้รู้แจ้งอยู่ว่าเออจะทําอะไรมันก็คือไม่ใช่เราทําแต่มันเป็นขันห้าที่เราเรียนมาความรู้หมดแล้วเนี่ย จะพูดจะคิดมันเป็นขันธ์หน้าหมดเลยเป็นสังขารหมดเลยนะแต่ถ้าลืมตัวเมื่อไหร่ห ล, ลงเมื่อไหร่โอเคมันไปยึดเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้ารู้เท่าทานันรู้เร็วมันก็จะหลุดทุกครั้งไปเพราะฉะนั้นต้องทําความเพียรก็คือไม่ใช่เราทําความเพียรแต่ให้มันเขาเรียกว่าให้มันเกิดสติปัญญาเนอะรู้รอบรู้เร็วแล้วก็จะพ้นทุกข์ได้เร็วเออไม่ไม่ถึงกับตลอดเวลาเพราะว่าตลอดเวลาเดี๋ยวมันจะมีเราเป็นผู้ เป็นผู้ฝึกเป็นผู้รู้ตลอดเวลาเอาเป็นว่าไม่มีใครฝึกแต่ว่ามันเป็นกายากายาเป็นกายาอาการที่มันเป็นไปอย่างนั้นแต่ให้เข้าใจให้ถูกก็ได้ว่ามันไม่มีเราในนั้นเลยแจ้งไหมเผลอก็รู้ว่าเผอค่ะแจ้งชัดเนาะมีอาการแต่ไม่มีเราเออมันมีแต่อาการเพราะเป็นสิ่งที่กําลังปรากฏเป็นสิ่งที่กําลังเกิดแล้วมันก็ดับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการ แต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือถ้าไม่มีเรา um นั่นแหละจะพบความไม่เกิดไม่ดับแต่ถ้ามีเรามันก็เก like ิดดับทุกทีไปเพราะมันไปยึดไอสิ่งเกิดดับมาเป็นเรามันก็เลยเกิดดับแต่ถ้าไม่มีเรามันก็พ้นจากความเกิดดับมีแต่สิ่งเกิดดับแต่ไม่มีเราเป็นผู้เกิดดับจาสั้นไหมมันไม่มีไงมันไม่มีก็คือไม่มีแล้วจะแล้วใครจะเกิดดับเนาะมีแต่ไอสิ่งที่เกิดดับมันก็ไม่ใช่เรา อันนี้ก็เข้าใจได้ง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจถูกก็คือไม่มีเราเมื่อไม่มีเราก็แปลว่าเราไม่ได้เกิดมาเมื่อเราไม่ได้เกิดมาเราก็ไม่ต้องตายแต่ที่ตายก็คือสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับต่างหากซึ่งไม่ใช่เราทีนี้ตอนนี้ใครจะมาพูดต่อหรือว่าเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดก็ได้รู้แล้วค่ะคุณ <laughs> สติสวัสดีค่ะฟังเสียตัวเองเรารู้สึก มาสักครู่รู้สึกบันลงพ่อเหนื่อยเนื่อย <g it> <g it> เหนื่อยใ <osas> นการอธิบาย <g it> แต่ว่าได้ได้ไดข้อคิดเราสมควรกันนะครับคือผมเป็นคนเรียนไม่ได้เก่งมากผมก็เลยเวลาจะต้องทําอะไรอะ่ะผมเลยชอบชอบค้นหาวิธีที่มันง่ายะนะ <g it> เพื่อเพื่อจะได้เราจําได้แล้วก็เราได้ทําได้เออผมก็เลยขออนุญาตเปรียบเลยว่าอาจจะไม่ได้ตรงประเด็นร้อเอร์เนะ็นตก็คือเหมือนไอการแยก แล้วผมปริชั่นอาหารเนาะมันคงคล้ายๆกับการที่เราแบบกําลังจะผัดผัดไทยสักจานอย่างเง้ยนะครับไออุปกรผัดไทยมันก็คงมีน้ํามันน้ํามันขมิ้นเส้นถั่วงอกอบาบาว่าไปมันก็ประกอบรวมกันเป็นเป็นผัดไทยซึ่งผู้ผู้ผู้ผัดหรือผู้รู้ก็คือทุกคนที่ผัดนะครับที่ผมพยายามแยกหรือหรือดูมันชัดเจนกันแบบแต่ว่าผมก็พอจะเข้าใจที่หลวงพ่อพูด้ว่าเอหมือนรับวานที่ผลวงพ่อบ้ผมรูปนะครับ ก็ลุกขึ้นยืนแล้วเรารู้ว่าเราลุกแต่คนที่ลุกกับคนที่รู้อ่ะมันน่าจะเป็นคนละคนกันก็คือตัวเราเพราะตัวเรา่ เ, ราเป็นผู้ถูกรู้แล้วว่าเราลุกดังนั้นผู้รู้ก็น่าจะเป็นอสติหรือจิตเราที่ที่เป็นคนรู้ว่าเราลุกขึ้นมาเนี้ยประมาณเนี้ยใช่ไหมครับอืมครับใช่ก็เลยรู้สึกครับผมก็ อันนี้เขาเรียกว่ามันแยกแต่ว่าถ้าไม่แยกเห็นไหมมันจะเป็นเราไปเลยแต่พอแยกปับ๊บมันก็เป็นคนละสิ่งกันเพราะฉะนั้นการแยกมันก็มันก็มีความจําเป็นเนาะแต่ว่าถ้าฝึกไปจนมีความชานาญแล้วเข้าใจทุกอย่างแล้วเนี่ยมันไม่ต้องไม่ต้อ ง, รงเรื่องเรื่องแยกเรื่องอะไรไม่สนใจแล้วเพราะมันเข้าใจไปแล้วแต่ basic, มันต้องเริ่มจากการกเรบสิกมันต้องเริ่การแยกก่อนอยู่ไหมครับต้องแยกก่อนเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ยังแยกเลยเห็นไหมท่านแยกว่าเออคือท่านรู้แจ่มแจ้งแล้วว่าจริงๆอ่ะไม่มีเราเนาะ แต่ทีนี้ถ้าท่านพูดแบบว่าไม่มีเราไม่มีเราเนี่ยไม่มีใครฟังรู้เรื่องท่านก็เลยแยกมาเป็นธาตุบ้างใช่ไหมว่าธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมว่ามันมารวมกันมันก็เป็นเป็นร่างกายเห็นไหมเขาเขแยกเป็นส่วนย่อยไปก่อนหรือก็ทางจิตใจก็มันเป็นเรื่องของวิญญาณธาตุใช่ไหมที่มาผสมอันนี้ก็แยกเป็นธาตุมีหกธาตุนะในตัวเราเนี่ยมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและก็วิญญาณธาตุก็เพราะนั้นแค่หกธาตุเองทีนี้ถ้า นักปฏิบัติก็ต้องมาสังเกตติว่าเอออะไรมันเกิดขึ้นในตัวเองเนี่ยแล้วก็มองให้เป็นธาตุเสียว่าเออถ้าเป็นแค่ธาตุดินเนี่ยมันก็เป็นคนไม่ได้เป็นแค่ธาตุน้ําก็เป็นคนไม่ได้เห็นไหมแล้วก็แต่ละธาตุมันก็เข้าใจง่ายว่าเออมันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันเป็นคนไม่ได้พอทีหลังพอมันมารวมกันเป็นก้อนเออพอมันเป็นก้อนมันก็มาจากไอ้ส่วนย่อยนี่แหละแล้วก็จะทําให้เข้าใจได้เลยว่าเออไอเนี่ยมันไม่ควรยึดว่าเป็นเราอะไรเนี่ยมันถอนตัวตนได้ง่ายขึ้นนะ หรือว่ามาแยกเป็นขันห้าก็เหมือนกันนะถ้าแยกได้ว่าไอขันขันเดียวเนี่ยมันก็เป็นคนไม่ได้นะแต่ละขันก็เป็นคนไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นคนไม่ได้พอมันมันมารวมกันมันก็ย่อมเป็นคนไม่ได้อยู่ดีอันเนี้ยคือสอนเพื่อแยกก่อนแล้วก็สุดท้ายเมื่อเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเพราะมันเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่ามีแต่มันมีแต่ธาตุหรือว่ามีแต่ขันห้าไม่จําเป็นต้องแยกแล้วก็ตัวตนก็ไม่มีเออมันก็เออง่ายอย่างเงี้ยเหมือนปูบานปุบไปว่า ก็ในเมื่อมันรวมมาจากสิ่งที่มันมันไม่มีอะพอมารวมกันมันจะมีได้ยังไงใช่ไหมถูกต้องถูกต้องมีความรู้ทางประวัตศาสตรหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งค่ะอเมื่อกี้มีค้างอยู่สงสัยอะไรยังไงนะอ๋อยอมยกสงสัยอะค่ะว่าไอความเข้าใจของเราอะค่ะในแง่ที่เมื่อกี้ได้กล่าวกับหลวงพ่อนะคะว่า เราก็มีความชัดเจนในแง่ของความเข้าใจอะค่ะแต่ตอนที่เราจะคือจริงๆเราก็รู้สึกทุกครั้งว่ามันเป็นเหลาใช่ไหมคะแต่จริงๆถ้าถ้าถามในแง่ของความเข้าใจเหมือนที่เมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงว่ารายละเอียดเนี่ยมันแยกเป็นย่อยแล้วมันไม่มีอะไรทั้งนั้นซึ่งตรงนี้ก็เราก็รู้สึกว่ามันก็เข้าใจอะค่ะแต่เมื่อมันมา มาใช้ชีวิตเนี่ยค่ะเราก็ก็ยังคงเห็นน่ะว่ามันมันเป็นเราแต่ในความเข้าใจลึกๆอะค่ะในแค่ของสภาวะก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นเรามันไม่มีเราแต่ยังไงก็ตามอะเราก็ยังมันเหมือนฝันหลับกันอยู่อย่างนี้ค่ะว่าว่าเราเข้าใจนะว่ามันไม่เป็นเราแต่เวลาใช้ชีวิตอะ มันก็เหมือนก็ไปเกาะความเป็นเราอีกอย่างเนี้ค่ะออือก็ก็เลยอยากจะขอคําแนะนําหลวงพ่อในแง่ของชีวิตประจําวันเนี่ยค่ะเราควรจะวางใจหรือเ อ, อพิจารณายัางไองอะค่ะที่เราถึงจะปล่อยวางไอ้ตัวความเป็นเราตรงนี้ออกไปได้ทั้งทั้งที่จริงๆความเข้าใจในแ ง, ง่ของของของ อสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยก็ก็เข้าใจถึงความไม่เป็นตัวเป็นตนใดใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นสังขารไม่ว่าจะเป็นจิตอะไรก็แล้วแต่นะคะก็รู้สึกว่ามันรู้แหละว่ามันประกอบไปด้วยสภาวะตามธรรมชาตินี่แหละแต่ไอ้ความยึดติดของความเป็นเราในชีวิตที่เราเป็นอยู่นะคะมันก็ยังคงเป็นอยู่นั้นแต่เพียงแต่ว่า สิ่งที่รู้สึกดีสำหรับตัวเองหน่อยอก็คือว่าความรู้สึกที่เราจะไปโกรธจะไปไปถือสาไปหรือว่าไปทําสร้างความทุกข์ให้ตัวเราอะ่ะมันมีน้อยลงเพราะว่าเออเหมือนกับว่าเข้าใจแล้วว่ามันมันมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เออมันก็บังคับบัญชาอะไรไม่ได้เงี้ยค่ะก็รับรู้ไปตามสภาวะไปตามสภาวะนะแต่ แต่ไอ้สภาวะความเป็นเรามันก็คงยังคงมีอยู่อย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่ออ่กนะอเลยอยากขอคําแนะนําจากหลวงพ่อค่ะว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเราน่าจะทํำยังไงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอฟังดีๆเนาะหลวงพ่อพูดแบบถอนรากถอนโคนเลยนะหลวงพ่อไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แค่แบบฟันแค่กิ่งหรือว่าแค่ฟังที่ลําต้นถอนรากถอนโคนกันเลย คือปัญหาของโยมเนี่ยมันอยู่ตรงที่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นอะไรก็คือยังไม่เห็นไอ้ไอบางสิ่งบางอย่างอะนะที่มันเหมือนกับว่ามันมันเห็นได้ยากอะที่เขาเรียกว่าอาวิชชานะแต่หลวงพ่อจะจะพูดอาจจะให้มันง่ายขึ้นเช่นขนาดที่โยมพูดเนี่ยเนี่ยแล้วโยมก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวเช่นโยมบอกว่าโยมเข้าใจหมดแล้วเนี่ยแต่ทำไมมันมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ตรงเนี้ย ไอตัวที่มันเป็นพฤติกรรมการแสดงออกถึงความเป็นตัวเราเนี่ยโยมไม่เห็นตัวนี้แต่โยมเนี่ยมุ่งจะไปหาคําตอบซึ่งมันอยู่ข้างหน้าแต่โยมไม่เห็นไอตัวตัวตัวต้นอ่ะตัวต้นก็คือตัวเราที่เป็นผู้อ่ะเราเนี่ยเราเข้าใจแล้วเนี่ยแต่ทําไมยังคาอยู่คือโยมไม่เห็นตรงนี้นิดเดียวแค่นั้นเองถ้าเห็นปั๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมันจะเหมือนกับว่ามันจะรู้เลยไอที่บอกว่าเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะทําลายไอความเป็นเรา ตรงนี้แหละไอ้ตรงที่เราพูดไม่เข้าใจเนี่ยนะถ้าเห็นตรงเนี้เพราะอะไรถ้าเห็นแล้วมันก็จะรู้ว่าไอ้ตัวไม่เข้าใจก็คือสังขารไอ้ตัวที่อยากจะรู้ก็คือสังขารไอ้ตัวทําอย่างไรทำอย่างไรเนี่ยคือตัวเราหมดเลยเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะทำอย่างไงไอ้ตัวนี้ก็เป็นสังขารให้เห็นตรงนี้แล้วก็ถ้าเห็นสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีประสบการณ์แล้วพอมีประสบการณ์แล้วมันก็จะรู้เร็วเห็นเร็วเพราะว่าอะไรพอเห็นตรงนี้ปั๊บมันดับเลยนี่ยเพราะต้นกําเนิดมันเกิดจากตรงเราตัวเราตรงนี้แหละ ถ้าพอดับได้เนี่ยมันก็ดับหมดเลยดับทั้งพวงเลยมันไม่มีข้อสงสัยก็เรียกว่าดับที่หัวขบวนมันอะที่ก็บอกว่าอาวิชาอาวิชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ตรงไม่รู้ตัวเราตรงที่ที่กําลังสงสัยเมื่อกี้เนี่ยนึกออกไหมเพราะเนี่ยคือตัวเราชัดๆเลยตรงนี้โอเคไหมหลื อ, อยังเออน้าทาความรู้สึกตัวเป็นปัจจุบันเนี่ยตรงเนี้ยเริ่มรู้จักแล้วว่าอ๋อมันเกิดเขาเรียกว่าเกิดตัวเราขึ้นมาแล้วหรือว่าเรียกว่า ตัวกูเกิดแล้วไงที่เพลงอาจารย์พุท ธ, ธ, าธทาสีหลวงพ่อเปิดเป็นประจำพอเผอปับตัวกูผีตัวปูก็โผล่มาแต่พอหายเผอตัวกูก็ดับไปเพราะนั้นน่ะความรู้ไม่เท่าทันก็ตรงนี้เองไม่ต้องไปค้นหาคำตอบที่ไหนเลยมานะอัตตาใช่ไหมคะหลวงก่อใช่มานะเออตรงนี้แหละอยู่ในสังโยชน์เออจ็ดแปดก้าสิบนี่เออแปด้าสิบนี่แหละสามตัวนี่แหละ เพราะว่ามานะนี่มานะก็ส่วนของว่าเออถือดีว่าเราเก่งนะเรารู้เรารู้กว่าเขาเราเก่งกว่าเขาเราด้อยกว่าเขาเราแย่กว่าเขาอันนี้เป็นมานะแต่ในมานะตรงนี้มานะแล้วก็ไอ possibly, ุ้กกุจจาอะไรเนี่ยนะที่ที่เป็นข้อแบบฟุง้งซ่านที่จะอยากจะได้อยากจะโน่นเนี่นะอแล้วก็รวมถึงอาวิชาเนี่ยมันอยู่ในตรงนี้หมดเพราะฉะนั้นรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นจุดไร้ที่สุดก็คือรู้ตัวรู้ตัวเองว่ารู้ตัวเองตามที่หลวงพ่อบอกนะคือรู้ตัวเองว่า อ่านี่มีตัวเราเกิดขึ้นแล้วมีตัวเราเป็นผู้สงสัยแล้วมีตัวเราอยากรู้แล้วมีตัวเราอยากถึงนิพพานแล้วให้เห็นตรงนี้แล้วก็พอพอรู้ปั๊บเนี่ยมันก็พลิกเลยพอมันรู้แล้วถูกมันรู้แล้วมันเห็นแล้วก็เลยมันก็พลิกจากไอเป็นความเป็นตัวเราอ่ะที่เป็นความหลงอ่ะมันมันพลิกมาเป็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีถูกไหมโยมลองนึกดูดิตอนที่โยมสงสัยมันเป็นตัวตนเนาะมีตัวเราชัดๆเลย แต่พอรู้เสร็จแล้วเนี่ยอา้าว่าความสงสัยมันก็เป็นสังขารนี่มันก็ก็ทิ้งไปวางเลยทิ้งไปพอทิ้งไปเสร็จหมดผู้สงสัยก็ตายหมดผู้สงสัยก็ดับไปถ้าสงสัยใหม่ก็รู้ใหม่ว่าทําไมเราไม่พ้นทุกข์ในทีป่ปฏิบัติตารมทั้งนั้นจจแสดงว่ามีเราอีกแล้วผิดเข้าใจผิดอีกแล้วเอา้ามันเป็นสังขารรู้เท้าทันก็สังขารก็ดับไปยของโยมนี่มันจุดตรงนี้เลยง่ายนิดเดียว รวมถึงคนอื่นด้วยนะไม่ใช่ของโยมหระคนไหนที่ไปติดอยู่เนี่ยก็ให้รู้ทันตรงนี้สัได้มาตรการหลวงพ่อค่ะอ่าเนาะก็ให้มีดวงตาเห็นทั้ง